ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รลงปโปทยานได้นำเสนอเรื่องบา ร, รมีมาตามลำดำับก่อนที่จะขยายความเรื่องเมตตาบา ร, รมีก็ใครจะนำท่านทั้งหลายไปทบทวนสารัะหรือกรอบของคำว่าบา ร, รมีอีกครั้งหนึ่ง คือข้อความเหล่านี้ท่านท่านนิยามไว้ในอภิธรรมมัตสังกาเพื่อสะท้อนใหเห็นว่ากรอบของหลักธรรมแต่ละข้อมันมีเนื้อหาสาระเป็นอย่างไรบ้างตามปกติแล้วท่านจะแสดง เป็นลักษณะเป็นหน้าที่เป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้แล้วก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดแต่พวกบารมีเหล่านี้ถ้าเราลองดูองค์ธรรมหรือดูเนื้อหาก็ไม่อื่นไปจากศีลสมาธิปัญญาก็คงอยู่ในกลุ่มของอริยมรรคเมองแปดประการนั่นเองคือเป็นกุศลส่วนเหตุแต่บางครั้ง เขาพูดในดับผลก็มีหมายความว่าเช่นปัญญาบา ร, รมีของมโหสถโภทิสัต์ก็เป็นปัญญาระดับที่เรียกวศา ช, าชาติกะปัญญาโดยมากคือยังไม่ได้ดีหนังสือทัังหาอะไรเท่าไรเลยแต่สามารถตอบปัญหาชี้แจงระงับกรณีพิพาต่างๆได้ แต่ไม่ใช่ผลระดับเต็มที่พระะผลก็บารมีที่เต็มที่นั้นก็คือการช่วยให้คนได้บรรลุธรรมชั้นสูงสุดอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ต่อสู้กับพญามารคือไปจดมารภายใต้ต้นพระสี ม, มาโพนี่ก็ต่อสู้ด้วยบารมีและมารก็พ่ายแพ้แก่พระบารมีของพระองค์ วันโดยเนื้อหาสาระคำว่าบารมีท่านบอกว่ามีการอนุเคราะห์บุคผู้อื่นเป็นลักษณะคนนี้พึงดูตัวอย่างเช่นทานหรือศีลเอาทานก็ได้นะฮะท่านนั้นทาหน้าที่ขจัดทั้งโลภะโทสะและโมหะแต่ว่ามุ่งอนุเคราะห์ต่อบุคคลอื่น ซึ่งเรากล่าวโดยพื้นฐานในด้านจิตนะก็จะเห็นว่าจะต้องสามารถขจัดโมหะคือความลงันดับที่เรียกว่าไม่รู้บา บ, บุญคุณโทษได้ออกไปอย่างน้อยก็มีปัญญาพิจารณาเห็นคุณค่าของการให้เห็นโทษของการไม่ให้แล้วก็ให้ซึ่งความคิดเหล่านี้บางครั้งก็เป็นความคิดพื้นฐานธรรมดาธรรมดา จนเรามีอาหารการกินก็พอแบ่งปันได้นะฮะไม่ใจเหลือเฟืออะไรในขณะที่คนอื่นก็หิวโหยมาเนี่ยถ้าคนมีน้ำใจสักหน่อยก็แบ่งอาหารของตนเองให้เขารับประทานได้หรือบางครัง้งบางคราเราอาจจะไม่ถึงกับหายหิวแต่เราก็บริเทาหิวได้ระดับหนึ่ง ในขณะเดียวกันก็ช่วยคนอื่นลดความหิวลงไปได้ระดับหนึ่งก็เป็นความรู้สึกใจเขาใจเราธรรมดาแต่ว่ามีปัญญาพิจารณาในขณะเดียวกันถ้าคนนั้นดกเลียดเนี่ยเราจะให้ทานไม่ได้เลยแสดงว่ากุศลและเจตนาที่เป็นเหตุให้บุคคลให้ทานมันจะต้องมีความรู้สึก เป็นนิดตกคนนั้นแล้วก็มุ่งอนุเคราะห์เขาตัวการให้เขานั้นส่วนหนึ่งก็เป็นการสงเคราะห์ส่วนหนึ่งเป็นการอนุเคราะห์ส่วนหนึ่งก็เป็นการบูชาวความดีของท่านก็ทั้งสามวิธีนั่นแหละก็เป็นการอนุเคราะห์เขาแต่ในขณะเดียวกันพวกวัตถุสิ่งของที่เราบริจาคที่เราให้ไม่ว่าจะให้แกรใครก็ตาม แต่ยังมีความเจนียังมีความหวงยังมีความเสียดายอยู่หรือมีความโลภอยู่ในวัตถุสิ่งนั้นเราก็ให้ไม่ได้แต่เนื่องจากผู้รับเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมะสิ่งที่สัมผัสโดยตรงเนี่ยคือคนอื่นกับเราเราก่อนนะฮะเราก็สัมผัสก่อนแล้วคนอื่นก็สัมผัสส่วนอย่างอื่นเช่นสภาพแวดลอ้อมนิเวศวิทยาอะไรต่อไรเนี่ยมันก็เป็นผลพลอยได้ ของการไปบัตรธรรมะก็เพียงแต่ว่าไม่ไปทำลายสภาพแวดล้อมนี่ยมันก็เป็นการคือกุลต่อสภาพแวดล้อมแะแต่ว่าคนเราบางคราวเนี่ยเขาอัตคัดขาดแคลงเขาเดือดร้อนถ้าเราจะหยุดอยู่เพียงไม่เบียดเบียนเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้มันก็ต้องมองไปที่อนุเคราะห์เขาช่วยเหลือเขา ในรูปของที่เคยใช้คำว่าสวัสดิการนะะเป็นการสงเคราะห์น้องเคราะหเขาตามสมควรแก่กรณีด้านทานจึงปีการอนุเคราะห์ผู้อื่นเป็นลักษณะทีนี้เมื่อเราให้ลงไปแล้วเนี่ยภารกิจของสิ่งที่เราให้คือหน้าที่ของสิ่งที่เราให้ ก็คือทำอุปการะต่อบุคคลอื่นแล้วเมื่อมีความมุ่งมั่นเกิดขึ้นเนี่ยจะให้ทานก็ตามรักษาศีลก็ตามนะเนคขมะก็ตา ม, ม, ตามหรือว่าปัญญาก็ตามจิตใจก็จะไม่อ่อนไหวคือจะไม่หวั่นไหวไปตามกระแสะของกิเลสพราะถ้าหวั่นไหวก็ทําไม่ได้นะเช่นตัวอย่างทานที่ยกไว้ในตอนต้นว่าเราก็พร้อมที่จะให้ เราก็เห็นคุณค่าของการให้ทานเราก็ไม่เสียดายในสิ่งที่เราให้แต่พอดีคนซึ่งมารับนะเราไม่ชอบหน้ามันช็อตเลยนะให้ไม่ได้ตรงนั้นการเจริญความดี ใ, ใจต้องไม่หวั่นไหวถ้าไปคิดมากแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แล้วมีคนเป็นนั้นมากที่รอให้คนอื่นก็ทำ แลช้ชอบกะเกณฑ์คนอื่นชอบบังคับไปคนอื่นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเจ้าออกคํานนอบอบคสั่งนะแต่ว่าไม่ได้มองว่าเป็นภารกิจคือชีวิตเป็นกระบวนการของกรรมที่ทุกคนรับผิดชอบได้นะ่ะคือการกระทําของเราเองแต่ถ้าเราไปเดือดร้อนวุ่นวายคนอื่นมากไปมันก็เสียประโยชน์เสียโอกาส อย่างที่เคยยกตัวอย่างเรื่องเปรตเมื่อช่วงอะไรหลับแถววันที่ประมาณสิบ6้าสิบหกพฤษภานะฮะเราเห็นว่ามีคนไม่น้อยที่ไปมองเขาว่าเป็นแก๊งหลวงโลกคือแก๊งสิบแปดมงกุฎอะไรเนี่ยคือโดยไม่ได้ศึกษาข้อมูลอะไรให้ชัดเจนยังไม่ชัดเจนทั้งหมดเน่นะฮะคือเราจะพูดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเนี่ยคงไม่ได้ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่เข้าไปร่วมกิจกรรมเรยถือเขาหลอกลวงไม่ได้นะเขาไปทาก็เขาเป็นเรื่องความเชื่อของเขาเราก็ต้องยอมรับแล้วสมมติว่าจะเรียกว่าเป็นพวกต้มตุ๋นอะไรก็ตามก็ไม่ควรเอาคนกลุ่มนี้ใส่เข้าไปเพราะเขามุ่งศึกษามุ่งค้นคว้าคืองานวิเคราะห์วิจัยในตอนต้นเนี่ย ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามคนที่ทํานั้นจะถูกมองไปในทางลบเสมอไม่ต้องเอาอะไรมากแม้การเสด็จผนวชของรพระพุทธเจ้าเนี่ยมีคนติงเยอะมีคนต่อว่าเยอะแล้วยิ่งต่อมาเป็นทุกรกกรยาแล้วก็มีคนท้วงติงเยอะก็ธรรมดาไนงะธรรมดาทั้งหมดเลยในโลกมนก็เป็นอย่างนั้น แต่เรื่องธรรมานั้นจะต้องทวนกระแสธรรมดาสัตว์โลกขึ้นไปคือโดยพยายามที่จะเข้มแข็งเอาไว้ไม่อ่อนไหวไปตามกระแสอารมณ์ทั้งหลายที่เราเห็นว่าพระพุทธสัตว์เนี่ยอย่างตอนสมัยเป็นเจ้าชายติศัทธาคือแม้แต่ในสมัยตอนหนึ่งเดือนก็ตามเวลาท่านจะทําอะไรนี่ท่านไม่หวั่นไหวอะไร ราลองนึกดูว่าในชาติที่เป็นสุมเมตมานกสลาสมบัติที่สืบต่อกันมาทั้งเจ็ดช่วโคตเจ็ดช่วคนจำนวนมหาศาลมากๆแล้วก็รู้ว่าจุดหมายประทางตัวเองนั้นก็คือเที่ยวเก็บปัวเปลือกหัวมันเก็บผลไม้ในป่ากินก็ย้อนยุคไปเยอะจากเศรษฐีอยู่ปราสาท มากลายเป็นนักบวชเร่ร่อนดูตามปาแต่ท่านก็ไม่ได้สนใจในเรื่องเหล่านั้นเพราะสิ่งที่เป็นคุณภาพท่านจิตปัญญาที่ท่านจะพัฒนาขึ้นไปเนี่ยท่านก็สามารถที่จะได้รับด้วยการปฏิบัติอย่างนั้นในการรักษาศีลก็เป็นเช่นเดียวกันศีลระดับพระโพธิสัตว์เนี่ย มันแน่นอนคือมดเว้นเนี่ยไม่เบียดเบียนใครอยู่แล้วนะแต่เราจเจนว่าเช่นยกตัวอย่างในกรณีเป็นพระภูริธาตุบ ร, ริษัทถึงเราคุ้นๆ น, นะก็ถ้าหากว่าท่านจะทําอันตรายแก่พราหม์เนี่ยก็ได้แต่ว่าอนุเคราะห์เขาสงสารเข า, าถ้าทำก็ตายเนี่ยพุพิษสายก็ตายพัญาหน้าพุนพิษก็ตายแล้วแต่ว่า อนุเคราะห์เขาให้เขามีเครื่องมือในการทํามาห้กินก็ยอมเป็นเครื่องมือแก่เขาแล้วก็ไม่ยอมทํำลายศีลคือเราเห็น ว, ว่าท่านเหล่านี้จะมีพื้นฐานทางปัญญาในสูงเพราะว่ามองไม่ใช่มองสั้นๆแต่มองเป็นระยะยาวแล้วถ้ามองช่วงยาวได้เท่าไหร่เนี่ยคนจะตัด ถอนไอ็ดสิ่งที่เป็นปัญหาต่างๆออกไปอย่างที่โบราณท่านสอนรักยาวให้บรรรักสั้นให้ต่อเมื่อความมงคนเราถ้าจะอยู่กันให้ยืดยาวหรือว่าพัฒนาชีวิตเราให้มีบา ร, รมีเพิ่มปูนขึ้นมากๆเนี่ยมันต้องตัดถอนเรื่องยุ่มยิ้มต่างๆออกไปเยอะถ้าไม่ยอมตัดถอนอะไรเลยเนี่ยจะทำอะไรไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือลักษณะทางอารมณ์กิเลสการยั่วยุยั่วยวนการท้าทายการล่อหลอกหรือการระลาปรโมด้วยผลประโยชน์ใดอย่างหนึ่งมันจะต้องเอาชนะเรื่องดัานั้นให้ได้แต่หน้าน ใ, นใจก็ต้องเข้มแข็งพอสมควรถ้าอ่อนไหวแล้วก็ไปไม่รอดบนเส้นทางบารมีเนี่ยถ้าอ่อนไหวแล้วไปไม่รอด เพราะมันเหมือนกับว่ายน้ําทวนกระแสและมันเชี่ยวกรากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเรี่ยวแรงเราไม่ดีพอก็ไปไม่ได้การสร้างบารมีจึงมีเยอะแต่ว่าคนที่เป็นพระพุทธเจ้าจึงมีน้อยคุณนั้นคือยอดแหลมเปรียบของเจดีย์เลยที่จะขึ้นไปอยู่ยุดนั้นจริงๆ จ, จึงมีอยู่น้อยแต่ว่าเมื่อท่านทําแล้วจะไม่หวั่นไหว การกระทำของท่านนั้นท่านบอกว่ามีการแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลเป็นผลปรากฏเราดูตัวอย่างทานก็เกื้อกูลแก่คนอื่นศีลเองก็เกื้อกูลทั้งแก่ตนเองแก่คนอื่นเนคขมะเกื้อกูลทั้งแก่ตนเองและบุคคลอื่นเราพูดถึงเนคขมะเนี่ยคือการที่คนงดเว้นบาปเอาไม่ต้องบวชก็ได้นะเราที่จะเฉพาะออกจากความชั่วเนี่ย มันเป็นเรื่องคุณธรรมทางศาสนาซึ่งผ่านการฝึกปลืออบรมมาจากครอบครัวก็คือพุทธบริษัทนั่นแหละผ่านการแนะนําสั่งสอนมาจากครูบาอาจารย์ก็คือพุทธบริษัทนั่นแหละเรื้ยงฟังจากพระสงฆ์หรืออ่านจากตำราปรมาจารยก็ตามก็คือพระพุทธศาสนานั่นแหละต้นคุณูปการของศาสนาตรงนี้สังคมจะมองไม่เห็น เราเห็นว่าถ้าสังคมมองเห็นประเด็นตรงนี้กิจกรรมทางศาสนาสามารถทำอะไรได้อีกเยอะเลยแล้วก็ลงทุนไม่มากด้วยการให้ความรู้ที่ถูกต้องในทางศาสนาหรือบางครั้งบางคราวเนี่ยะวอนก่อนมีคนก็อัดเทปมาให้ฟังมีคนก็โทรศัพท์ถามเรื่องสุรา เพราะสีงข้อสุราเนี่ยทำไมจึงไม่มีในกุศลกขบถสิบแต่เขาถามเขาเขาถามผิดนะเขาถามในแงกุศลกขบถสิบกุศลขบถสิบนะฮะกุศลขบถสิบเป็นธรรมะเป็นโลกวัชชะเป็นความผิดทั่วทั้งโลกเป็นความผิดสากล น, นะฮะแต่สุราไม่ใช่ความผิดสากลเพราะงั้นในแง่ธรรมะพระพุทธเจ้าจึงแสดงไว้ในกลุ่มของอบายมุก เราจึงพบว่าสุราที่มันมีปัญหามันมีปัญหาตอนที่มันขาดสติก็เรียวประมาทฐานคือมันเป็นที่ตั้งที่เกิดของความประมาทเพราะจึงมีอยู่เฉพาะในศีลห้าในศีลแปดศีลบูชดเห็ น, 8, นไหมฮอาชีวมัธกศีลก็ไม่มีอาชีวมัธกศีล น, น, นั้นก็คืออริมัดในส่วนศีลสิกขาสามข้อ สมาวจาสมารกรรมตะสม า, สม า, สมาชีวะก็รวมแล้วแปดข้อกรณีาอาชีวะมัตตเกศีนคือศีนที่มีชีวะเป็นที่แปดนั้นไม่มีอ่ะเพราะพวกนี้มันสอนในแง่ของธรรมะมันไม่ใช่เป็นโลกวัชชะมันเป็นปัณจติวัชชะคือเป็นบทบัญญัติของศาสนาใดศาสนาหนึ่งแต่ไม่ใช่ทุกศาสนานะเราจะเห็นว่าศาสนาบางศาสนาก็ใช้ประกอบพิธีกรรมเลย อีกอย่างหนึ่งคือเขาก็ถามเรื่องอะไรค่าตัวตายว่าค่าตัวตายทําไมไม่ปาราชิกหรือค่าตัวตายในท่านปรับแค่ทุกฏนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันมุ่งไปที่การฆ่าสัตว์อื่นหรอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพวกนี้มันผิดธรรมะโดยทั่วไปมันผิดธรรมะไม่ใช่ผิดศีลเพราะว่าศีลเนี่ยมันสำรวมระวัง ไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งต่อคนอื่นเราจึงพบว่าบางทีเนี่ยแม้คนจะเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยก็ยังมีการฆ่าตัวตายตั้งหลายรูปอย่างน้อยเนี่ยที่เคยพบในพระบาลีนี่สามรูปก็พระพุทธเจ้าก็หยุดไม่อยู่นะเพราะว่ามันคล้ายๆกับมาพร้อมกันถึงอกุศลกรรมกับกุศลกรรมมันมาให้ผลพร้อมกัน ซึ่งก็เกิดขึ้นแก่พระหันต่างหลายเช่นมาจากกุบาอย่างเนี้ยฮะกุศลกรรมกับกุศลกรรมกำลังทันกันมาตรงนั้นตาบอดเป็นผลของกุศลกรรมกิเลสดับเป็นผลของกุศลกรรมกิเลสดับกับตาบอดเนี่ยไม่กอดไม่หลังกันมันตามมาทันพอดีนั่นคือกระบวนการคองกรรมคืเคยก็หยุดเข้าไม่อยู่แต่ถ้ากบลุกมาผลเป็นพระหันแต่วิบากกรรมเนี่ยเราก็หนีไม่พ้น ดันั้นกุศล ก, กรรมทั้งหลายบารมีทั้งหลายเนี่ยมันจึงเป็นการแสวงหาประโยชน์คือคูณแก่ตนเองเนี่ยเป็นหลักแล้วก็กระจายตรงนั้นออกไปสู่คนอื่นเพราะรูกก็บารมีทั้งหมดไม่ว่าข้อใดก็ตามนะถ้าจะยกเว้นแต่ข้อก็คือศีลจะมีลักษณะเป็นสวัสดิการคือสงเคราะห์นุเคราะห์ช่วยเหลือคือคูณแก่บุคคลอื่นมาเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่น แล้วก็เป้าหมายสูงสุดสมบัคพระพุทธเจ้านะฮะก็มุ่งสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผลเพราะฉะนเราจึงพบว่าเวลาพูดถึงบารมีทุกครั้งเนี่ยถ้าเธอต้องการบรรลุสัพพัญญุตญาณแล้วใช่จะต้องขึ้นอย่างนั้นก็แสดงบารมีสูงสุดเนี่ยมันมุ่งให้ผลสูงสุดจนถึงเป็นพระพุทธเจ้า โลยจากประเด็นตรงนี้คือทำให้ตอนสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลในสาขาบูชาแล้วมาก็ถูกถามปัญหาที่ท้องสนามหลวงเลยคือท่านเจ้าคณ ะ, ะกรทมนะท่านถามคือก็ถามให้อธิบายนะครับอธิบายเรื่องพระพุทธเจ้าเดินด้วยพระบาทได่เจ็ดเก้าประสูตมาแล้วเดินด้วยพระบาทได้เจ็ดเก้า ก็ยกตัวอย่างให้สองสามอย่างให้ดูอันหนึ่งก็คือเรื่องบารมีเป็นคนบารมีเต็มซึ่งไม่มีใครบารมีเต็มขนาดนั้นเพิ่มโดยธรรมดาของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายพระโพธิสัตว์ในประชาติสุดท้ายทั้งหลายนี่จะจะรูเนี่ยมันมีธรรมดาอยู่สิบเก้าธรรมดาอะยนะีข้อนี้เป็นธรรมดาข้อที่สิบแปดว่าฟูดประสูดจากกระค h ă n มารดาเอาเท้าออก แล้วก็เดินด้วยประบาทได้เจดเก้าพระวรากายไม่แปดเปื้อนด้วยมุลทินแ่งคันใดประการใดแล้วก็เปล่งอภิสวาจาประกาศสถานะของพระองค์ชัดเจนแต่ไม่ใช่โตเร็วทันทีอย่างนั้นนะนะคือคนเห็นระยะสั้นๆและพระองค์ก็กลับเป็นพระรจชากุมารตอไปเพราะันบารมีตัวเนี้ยทำให้เกิดธรรมดา แต่ว่าในโลกเนี้ยเราไปบอกไม่มีทําไมคนอื่นนะไม่ไม่มีก็คนอื่นบา ร, รมีไม่ถึงจุดนั้นเนี่ยนะบา ร, รมีไม่ถึงจุดที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เราก็เทียบเคียงกับธรรมชาติธรรมดาของสัตว์บางชนิดที่เกิดมาเดินได้นี่ก็เยอะเป็นความสำเร็จของกรรมอยนนู่นี้คือกรรมเป็นกําเหนือแล้วกรรมมปฏิสนุนคือกรรมก็หล่อเลี้ยงเอาไว้ ซึ่งกเ็เป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะกรรมะวิปากะวิสัยใช่ด้วยนะเป็นพุทธวิสัยอยู่ด้วยแต่ตอนนั้นท่านยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าหรอกแล้วก็เป็นความสมเอ็จด้วยบุญเขาเรียกว่าปุญญวัตโตอิทธิมัน ม, ม, นมีมันมีเงื่อนไขเยอะแล้วก็แปลกนงะคื อ, อในช่วงเทศกาลวิสาขบิช า, ามีปัญหาอยู่หลายประเด็นนะโอกาสมาถึงมาเรื่องธรรมะมาถึงเนี่ยฮะจะ ขยายประเด็นเหล่านี้ออกไปด้วยโดยพื้นฐานเนี่ยท่านบอกว่ามีความมีมากรุณาเป็นเหตุใกล้หรือมีความฉลาดนึงบายแห่งการุณาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดอันนี้ก็อย่างที่บอกไว้ในตอนต้นว่าแรงผรักดานให้เกิดการตั้งปณิธานที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อช่วยสัตว์โลกเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ ในชาติหนึ่งไกลโพ้นนะ่นะคือเรือแตกแล้วพระองค์พระโพธิสัตว์ตอนนั้นยังไม่เป็นหรอกหรือว่าไปกับแม่แล้วก็ต้องอุ้มแม่นะให้แม่ขึ้นขี่คอตัวเองก็ว่ายน้ำพาแม่ไปในน้ำที่ช่วยคนได้แต่คนก็บุญแล้วนะเพราะถ้าก็ช่วยคนเดียวแต่สงสารคนอื่นที่จมน้ำไปไปไปไปเนีย่ยมันเกิดความคิดที่จะช่วยสัตว์โลก ว่าถ้าพราะองค์ทําได้เนี่ยมันจะช่วยสัตว์โลกให้หมดเลยให้หลุดพ้นจากสังสารทุกข์รอยการที่เขาจมน้ําตายในจริงมันเกิดมาจากสังสารวัฏหรือถ้าเขาไม่เกิดมาเขาก็ไม่จมน้ําตายเราพอดีเขาเกิดมาเลยก็จมน้ําตายมันก็มองไกลเวะะันมหากรุณาเหล่านี่ยก็เห็นว่าป้าประสงค์เนี่ยมันจะต้องมีวิธีการเพราะฉะนเราจะถือว่าเป็นฉลาดในอุบายวิธีที่จะให้เกิด ผลสำเร็จตามที่ตั้งกรุณาจิตเอาไว้คือจะรู้หรือขนศาตร์ดุจพ้นจากสังสารทุกข์เป็นมโนปนิทานที่มีความลึกซึ้งแน่นอนเราก็ไม่ได้คงไม่ได้คิดขวันจะเป็นพระพุทธเจ้าหรอกแต่ว่าโดยเสด็จได้ทั้งหมดคือหมายความให้มีจิตคิดอนุเคราะห์ต่อบุคคลอื่น การกระทำก็ตามผู้กระทำเป็นอุปราคาคุณระบุคลอื่นโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างแล้วก็ไม่วันไหวไปตามกระแสอารมณ์เมื่อตั้งใจทำความดีแล้วต้องทำให้ได้และทำให้ดีขึ้นโดยมุ่งหมายผลสมฤทธิ์ที่พัฒนาภูมิธรรมภูมิจิตของตนเองให้สูงขึ้นอย่างที่โบราณได้พูดว่าเป็นอุปนิสัยปัจจัยแห่งม ก, กุฎนิพพานในนาคตการเมื่อน้านโน้เถินั่นเอง ท่านฟังทน้หนายใต่โลกระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี